แนะนำบทอับดุฮาบทอับดุฮาเป็นบทมักคิยาะมีสิบอ็องค์การบทได้เริ่มด้วยการสาบานต่อความประเสริฐของท่านรอซูลฺสันหลลลอฺเวลาละวัลลัมเพราะว่าพระเจ้าของท่านไม่ได้ทอดทิ้งและไม่ได้โกรธเคืองท่านตามที่พวกมุชริกีนกล่าวอ้างแต่ประการใดสําหรับท่านนะที่อัลลอฮ์นั้นมีตําแหน่งสูงและมีสถานะอันยิ่งใหญ่และบทได้แจ้งข่าวดีแก่ท่านถึงการประทานให้อย่างมากมายในโลกอาคีรอ ละสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้แก่ราศูลของพระองค์เช่นการมีชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติศักดิ์และการช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่บทนี้ได้จบลงด้วยการสั่งเสียแก่ท่านสามประการด้วยกันเพื่อให้สอดคล้องกับความโปรดปรานสามประการดังกล่าวข้างต้นคือหนึ่งให้ความสงสารแก่เด็กกำพร้าสองเมตตาต่อผู้ที่มีความต้องการสามช่วยเหลือผู้ยากจนฉัดสน ด้วยพระนามของอ l l a h ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวุวอขอสาบานด้วยเวลาสายและด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันมืม ด, ดรามาพระผู้พิบาลของเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าและไม่ได้โกรธเคืองเจ้า และแน่นอนบ้านปลายเป็นการดียิ่งแก่เจ้ากว่าเบื้องต้นและแน่นอนพระผู้วิบากของเจ้าจะให้แก่เจ้าแล้วเจ้าก็จะพอใจอพระองค์ไม่ได้ทรงพบเจ้าเป็นกําพระแล้วทรงให้ที่พึ่งหรือพระองดา และทรงพบเจ้าพระเห่เร่ร่อนแล้วก็ชี้ทางนงแก่เจ้าใช่ไหมและทรงพบเจ้าเป็นผู้ขัดสนและให้ความมั่งคั่งแก่เจ้าใช่ไหมดังนั้นสำหรับเด็กกาพร้าเจ้าจงอยากข่มเหและส่วนผู้เอ่ยขอนั้น เจ้าจงยาตวาดขับไล่และส่วนความโปรดปรานแห่งพระผู้วิบาลของเจ้านั้นเจ้าจงแสดงออก